แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาชญาและสัตราข้าพระองค์มีธุระมากบัดนี้จะขอทูลลากลับไปก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรับปลาแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมทางประทักษิณแล้วหลีกไปดวงตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วเงาไม้ซึ่งถูกแสงกันส่องทอดยาวไปทางทิศตะวันตก และดูดำครึ้มในขณะนี้จะมองเห็นแสงไฟจากปราสาทของพระเจ้าประสิทธิที่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสาวัตถีลิบลิบนนทนอากาศ ร, รอบเชตะวนารามและตลอดทางที่รสสึกของพระเจ้าประเสิที่ผ่านไปเต็มไปได้วยความสดชื่นแม้พระองค์จะทรงรู้สึกว่าในเวลากลับนี้ไม่มีไพรพลตามสเสด็จเลยคงมีเฉพาะนายสารธีกับพระองค์เท่านั้นก็ตาม ไปตามชนบทต่างๆแล้วก็มาประทับยับยั้งอยู่ณเชตวณารามแล้วพระเจ้าประสิฐธิ์โกศลเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้าแล้วไปเจอองค์คุริมารที่จะจับตัวพอดีนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาอ่านบทที่สองก็คงจะลําดับความเป็นมาเป็นไปว่าทําไมองค์คุริมาถึงจะมาอยู่ใต้ร่มกาลสวัดแล้วก็หยุดเข็นฆ่าคนได้นะคะคงฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ สำหรับบทที่สองเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จบไปบทที่หนึ่งแล้วล่ะค่ะหนังสือใต้ร่วมกาสาวพัฒน์ของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพที่พิมพ์เป็นที่ะระลึกในงานพระราชทานเพึงศพของอาจารย์สุชีปัญญานุภาพนะคะเมื่อปีสองพันหรอยสสิบสาวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็จะอ่านบทที่สองต่อเดี๋ยวโดวยจะไม่ต่อเนื่องนะคะ ไปอ่านคราวหน้าดีไหมคะแล้วก็ครั้งนี้นี่เราก็มาทินท้ายด้วยหนังสือสองเล่มเล็กๆนะคะเล่มแรกเนื้อติดกระดูกของท่านอาจารย์สเสถียรพงศ์วรรณปกนะคะมาถึงบทที่ชื่อว่าเกือบเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นหนังสือที่อาจารย์สเสถียรพงศ์ท่านแปลมานะคะบทนี้ชื่อว่าเกือบเป็นพระอรหรันต์ วิจัยคนหนึ่งเข้าไปถามอาจารย์คาสานว่าท่านเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสเตียนไหมไม่เคยเธอลองอ่านให้ฟังสิเขาจึงเปิดคัมภีร์ไบเบิลอ่านข้อความจากเซนแมชทิว่าจะมมกคิดถึงพลาสตราพรทำไมดูแต่ดอกลิลลี่เถอะมันเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่ต้องปัน่นต้องทอเครื่องพลาสตราพร์อะไรให้เหนื่อยยากไม่ประดับประดาอะไรก็ยังงามยิ่งกว่าพระเจ้าโซรมอนเสียอีก เพราะฉะนั้นอย่ามัวคิดกังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้มันจะคิดถึงสิ่งทั้งหลายได้ตัวมันเองใครก็ตามพูดคําเหล่านี้ฉันคิดว่าเขาเป็นพระอระหันต์ขาสารพูดนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้นั้นอ่านต่อไปอีกขอเถอะเขาจะให้ท่านหาเถอะท่านจะพบข้อประตูเถิดเขาจะเปิดต้อนรับท่า น, เ ม, าน เ, าเมื่อท่านขอเขาจะให้เมื่อท่านเคาะเรียกเขาจะเปิดประตูต้อนรับท่าน วิเศษขาซานเอ่ยใครก็ตามที่กล่าวเช่นนี้เขาพูดนั้นเกือบเป็นพระอระหรันต์ค่ะก็เป็นข้อคิดแต่ว่าก็ต้องอ่านแล้วก็คิดไปด้วยนะคะเป็นบทเล็กๆสั้นๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบหนังสือของท่านอาจารย์สุชีตอนนี้รู้สึกว่าจะอ่านผลงานของท่านแล้วก็ประวัติและงานของท่านทั้งรายการเลยนะคะเห็นว่าเข้ากันได้ดีก็เลยหยิบมาอ่านนะคะก็สามารถที่จะฟังได้ทุกวันพฤหัสวดีค่ะหมุนมาทางเอฟเอ5 m หนึ่งร้อยจุดห้าสนะคะจะพบกับทีมงานส่วนอักษรแต่ละวันนี้จะมีผู้ที่อ่านหนังสือสับเปลี่ยนมืเงียนกันไปนะคะจะรับหน้าที่คนละหนึ่งวัน เจ็ดวันก็มีทั้งหมดเจ็ดคนวันพฤหัสบดีจะเป็นหน้าที่ของดิฉันอันชี้สาลิกิตที่ลุ่งเรืองที่จะนําหนังสือมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยคากรอนหนึ่งนาทีเพื่อชีวิตนะคะของพระธรรมกิติวงศ์ท่านเป็นราชบัณฑิตนะคะก็ไม่ใช่คํากรอนสิต้องเรียกว่าข้อคิดที่ท่านอาจารย์สรุปมาที่พระธรรมกิติวงศ์ท่านสรุปมาเป็นกข้อคิดย่อยๆนะคะ บทนี้ชื่อว่าผู้มีปัญญาย่อมอยู่ด้วยความไม่ประมาทคนตายแล้วยังไม่ตายก็เพราะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทส่วนคนเป็นที่ตายแล้วก็เพราะมีชีวิตอยู่อย่างประมาทคนพานชอบอยู่ด้วยความประมาทคนมีปัญญาชอบอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตเป็นของเราเราจะให้อยู่อย่างไรก็ได้ แต่ก็ต้องพิจารณาดูให้ถ่องแท้เพราะถ้าใช้ชีวิตผิดพลาดไปก็เสียทีที่เกิดมามีชีวิตกับเขา ห, หนึง่งโอกาสที่จะแก้ตัวใหม่อาจไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นจงอยากประมาทนะคะในทุกๆเรื่อง มันทําความดีมันสะสมบุญกุศลไรนะคะถ้ามีโอกาสก็ใส่บาตรช่วยทธนุบํารงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมนด้วยช่วงนี้ช่วงเข้าพัรษาค่ะถ้าใครถือศีลห้าก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะช่วงนี้เขาก็รณรงค์กันทางโลกเขก็รณรงค์กันที่จะให้งดดื่มสุราในช่วงเข้าพัรษาทีฉันว่าดีนะคะทำให้เพราะว่าสุรานี้เป็นที่ตั้งของความประมาทดื่มไปแล้วเนี่ยขาดสติ มีแต่ความมัวเมานะคะลุ่มหลงในกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าละสิ่งนี้ได้เนี่ยก็ทําให้เรามีสติอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนไม่ประมาทด้วยวันนี้ที่ฉันอัญชีสาลิขิตที่รุ่งเรืองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็พบกับรายการสวดอัศจรได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีคุณอ่อนกมวลเทพานนท์นำหนังสือดีๆมาอ่านให้ฟังนะคะส่วนที่ฉันอัญชีสาแล้วก็คุณสัจจทอนที่นําเพลงบรรเลงเพาะๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Thank mm -hmm. you. เราอ่านกันถึงลุ่มน้านํามาทานะคะเราอ่านกันถึงวรรณกรรมของอาจารย์ในเรื่องของลุ่มน้ำนํำมาทาซึ่งเป็นหนังสือนวานิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกเล่มหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้เรียบเรียงขึ้นแล้วก็มีการยกตัวอย่างของหนังสือเล่ม น, นี้มานะคะทีนี้มาอ่านกันต่อคะ่ะ หนังสือเล่มนี้สัตวตาจารยาด์ดกตรชุกการชนะประกรณ์ผู้เคยดํารงตําแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์ได้จัดทําเชิงอัดและใช้ประกอบการศึกษาในคณะรัฐประาศาสนศาสตร์แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์นายชำนาญยุวบุญอธิบดีกรมการปกครองในสมัยนั้น เขียนไว้ในคำปารบเกี่ยวกับหนังสือลุ่มน้ำนํำมาทาที่ศาสตราจารย์ดรชุบการจนาประกรณ์ทำเชิงอัดสำเร็จแล้วและพิมพ์แจกใจ่ายให้บรรดา น, นักปกครองศึกษาเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2506ตอนหนึ่งมีข้อความว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2506ท้าพระเจ้าได้ไปทำหน้าที่ผู้ในการฝึกอบรม ในการประชุมสัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัดรุ่นที่สามที่หาดเจ้าสมราญจังหวัดเพชรบุรีข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านหนังสือลุ่มน้ำนำมาทาของคุณสุชีปุญญุภาพหนังสือเล่ม น, นี้ผู้แต่งให้ชื่อว่าเป็นนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์จะเสนอหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต้องการเน้นให้เข้าใจในหลักการเรื่องพระพุทธบาท ทีแรกข้าพเจ้าก็อ่านโดยมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่เมื่อได้อ่านไปอ่านไปก็ได้พบว่ามีหลายเรื่องหลายตอนที่แสดงถึงกุสโลบายในการทํางานเป็นอย่างดีจึงได้แนะนําเพื่อนฝูงหลายคนที่เกี่ยวข้องกับวงการทางการปกครองลองไปอ่านดูก็ปรากฏว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะจัดทําเชิงอัตถาทิบายให้เห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้นเชิงอัต t นี้ได้เทียบเรื่องนี้กับวิชาในปัจจุบันทั้งในด้านรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เศรษฐศาสตร์จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อนฝูงนักปกครองมากยิ่งขึ้นศาสตราจารย์ดรชุก การชนะประกรเขียนไว้ในคำปรพของผู้ทมเชิงอัดตอนหนึ่งวงเล็บสี่ตุลาคมสองพันห้ารอยหกว่าความรเริ่มของคุณชำนานยุวบุญอธิบดีกรมการปกครองที่เห็นเป็นการสมควรจะทำอัธทิบายโดยใช้หลักวิชาสังคมศาสตร์วิเคราะห์ว่าจินตนิยายอิงหลักธรรมเรื่องลุ่มน้ำนำมาทาของคุณสุชีปุญญานุภาพนี้ ตรงกับหลักในสาขาวิชาต่างๆในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐศาสตร์รัฐะปราศนาศาสตร์อย่างไรบ้างนั้นตรงกับความคิดของผู้จัดทมเชิงอัดที่ต้องการจัดทรมานานแล้วและยังได้เคยเสนออัฐาที่บายทำนองนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วในวรารสารรัฐะปราชนาศาสตร์ปีที่หนึ่งฉบับที่สี่หน้าหนึ่งร้อยสาสหกถึงหนึ่ง้อยสี่สิห้า ฉะนั้นเมื่อผู้เขียนได้รับคำขอร้องจากท่านอธิบดีซึ่งมีเจตนาดีเพื่อประโยชน์แก่ราชการเช่นนี้ผู้เขียนจึงรับช่วยเหลือด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างที่สุดแม้จะใช้เวลามากโดยเจียด จ, จากเวลานอกเวลาราชการซึ่งมีอยู่น้อยมากแล้วนั้นก็ตามในหนังสือรุ่มแม่น้ำนำมาทา มเมื่อท่านศาสตราจารย์ดรชุกการจนะประกรณ์ทำเชิงอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏเนื้อหาหลักวิชารัฐประาศนสน ศ, ศาสตร์อยู่มากเป็นต้นว่า 1. หลักการมอบอำนาจ 2. หลักการวางแผน 3. หลักภาวะผู้นำ 4. หลักระบบการโยกย้ายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง 5. หลักการบรรจุคนให้เหมาะกับงาน 6. หลัก วางนโยบาย 7. หลักผิดเป็นครูรู้เป็นอาจารย์ 8. หลักระบบคุณวุฒิ 9. หลักความรับผิดชอบตนเอง 10. หลักความรับผิดชอบต่อสถาบัน 11. หลักประสานงานตามสายบังคับบัญชา สิบสองหลักความปลอดภัยของชาติสิบสามหลักความร่มเย็นเป็นสุขของชาติและความผาสุขของประชาชนสิบสี่หลักการพัฒนาประเทศสิบห้าหลักการยอมรับนับถือสิบหกหลักการติดตามผลงานสิบเจ็ดหลักการประเมินผลสมัยผู้เขียนศึกษาปริญญาโทคณะรัฐรา ศ, าศาสนศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งปี แล้วไปต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรองจันทร์บางกะปิอีกหนึ่งปีในหลักสูตรมีการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค้นคว้าในห้องสมุดเขียนรายงานประจำภาครวมทั้งมีการรีวิวหนังสือโดยอาจารย์ให้โอกาสนักศึกษาเลือกหนังสือที่จะรีวิวเองตามถนัด ผู้เขียนเลือกเอาหนังสือลุ่มน้ำนำมาทามาทำรีวิวซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบว่าศาสตราจารย์ดรชุบ ก, การจนาประกรณ์ทำเชิงอัดไว้เมื่อรีวิวเสร็จก็ส่งอาจารย์คือศาสตราจารย์ดอรอมรรักษาสัตว์ผลปรกากฏว่าได้ระดับดีมากรวมทั้งผู้เขียนใช้หนังสือลุ่มน้ำนำมาทาเช่นเดียวกันเพื่อสอบ comprehensive โดยมีศาสตราจารย์ดรชุบ ก, การจนาประกรณ์กับศาสตราจารย์ดอรอมรรักษาสัตว์เป็นอาจารย์ผู้สอบ ซึ่งปรากฏผลสอบผ่านด้วยดีจนประสบความสำเร็จในการศึกษารัฐธประนศาสนาศาสตร์โดยที่หนังสือลุ่มน้ำน้ำมาทามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักรัฐธประสศาสนาศาสตร์ดังกล่าวจึงขอนำคติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นบางส่วนตามที่ปรากฏในอนุกรมคติธรรมหนึ่งร้อยสามข้อที่ท่านอาจารย์สรุปไว้เองในท้ายเล่มดังต่อไปนี้ห้า จิตใจที่ไม่เจริญย่อมมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนจิตใจที่เจริญเต็มที่ย่อมยอมเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมสิบเอ็ดปราบผู้ร้ายด้วยการจัดเศรษฐกิจให้ดีย่อมดีกว่าปราบด้วยวิธีฆ่าสิบเจ็ดคนที่มีโชคเหนือมนุษย์คือคนที่มีน้ำใจสม่ำเสมอในความสูงสูงต่ำๆขึ้นขึ้นลงๆของชีวิตมองเห็นโชคดีโชคร้ายราคาเดียวกัน สิเก้าควรทำความดีเพราะเห็นแก่ความดีอย่าคิดค้ากำไรในการทำดียี่สิบเก้าความริษยาและแข่งดีกันในทางที่ผิดไม่ทำให้ฝ่ายใดได้ดีอะไรเลยมีแต่จะพาไปสู่ความพินาศ ด, ด้วยกันทั้งสิ้นสามสิบที่พึ่งของคนยากอย่างแท้จริงคือท่านผู้สอนให้คนยากไร้มีโอกาสไม่น้อยหน้าผู้อื่น สี่สิบถ้าเจ้าของโครงการใหญ่ไม่สามารถทําโครงการเล็กให้สําเร็จได้ก็ควรพักการพิจารณาโครงการใหญ่ไว้ก่อนสี่สิบแปดถ้าจะเปรียบวิชาทั้งหลายเป็นดินก็ควรเปรียบวิชาศาสนาหรือศิลธรรมเป็นน้ําดินที่ไม่มีน้ําผสมอยู่เลยย่อมเป็นฝุ่นฟุง้งคนมีวิชาที่ไม่มีศิลธรรมย่อมฟุ้งซ่านปราศจากเครื่องยึดเหนี่ยว หกสิบเจ็ดความสงบนั้นมีอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบนั่นเองผู้ใดปรับปรุงใจให้สงบได้ผู้นั้นย่อมหาความสุขได้แม้ในท่ามกลางแห่งความทุกข์แต่สิทจงมาดูโลกนี้จงรู้จักโลกนี้แต่อย่าแบกหรือหามโลกเพราะจะไม่ช่วยโลกให้ดีขึ้นนอกจากก่อทุกข์ให้แก่ผู้แบกเอง 84. ถ้าเบื่อหน่ายการแก้ไขความเสื่อมก็ไม่ควรรับหน้าที่ในการปกครอง หนึ่งร้อยสามดินและทรายที่คนทั้งหลายเหยียบย่ำนั้นถ้านำมาผสมกันเผาทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคาก็กลายเป็นของสูงอยู่เหนือศีรษะคนได้ชั้นใดบุคคลทุกคนในโลกนี้แม้เบื้องต้นจะตกต่ำยากแค้นแสนเข็นถ้ามีความเพียรพยายามถ้าตั้นอยู่ในคุณงามความดีก็อาจเฟื่องฟูมีฐานะสูงกว่าเดิมและสูงเหนือคนทั้งหลายอย่างไรก็ได้ชั้นนั้น ก็ถ้าใครอยากจะได้ข้อคิดเหล่านี้นะคะอย่างที่ผู้เขียนเขาได้แนะนําหนังสือเล่มนี้มาก็ลองไปอ่านรูมน้ํานํามาทาดูถ้าเกิดว่าอดใจรอไม่ไหวเพราะว่าที่ฉันต้องไปตรวจสอบก่อนว่าหนังสือที่มีอยู่นั้นมีเรื่องนี้หรือเปล่าก็คงจะต้องค่อยๆหยิบยกผลงานของท่านอาจารย์มาเพราะว่าหยิบมาสองเรื่องแล้วนะคะเรื่องกองทัพทำกับเรื่อง ใต้ร่มกาลสาวพัฒนนะคะเดี๋ยวค่อยๆหยิบมากันละกันอาจจะสลับเป็นผลงานของท่านอื่นบ้างนะคะเพราะว่ามีหลายๆผลงานที่ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของเชิงผาหินมาพานเชิงผาหินมาพานเป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึง่งที่ท่านอาจารย์เรียบเรียงขึ้นโดยมีความมุ่งหมายสองประการ ดังที่ท่านได้เขียนไว้ในคำนำในหนังสือเชิงผาหินมาพานพิมเมื่อปีพุทธศักราช2535ว่านวนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายสองประการคือเพื่อบูชาพระอาณนเทระผู้มีอุปการะอันยิ่งใหญ่ในการรวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนาถ่ายทอดมาจนถึงพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังกว่า 2,000 ปี ท่านมีความจำดีเลิศมีความจงรักภักดีในสมเด็จพระบรมศาสดารับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคนลบาทจนวาระสุดท้ายเมื่อถึงคราวคับขันท่านยอมสละแม้ชีวิตเพื่อป้องกันพระตถาคตเจ้าจากการจู่โจมของช้างที่มีผู้ปองร้ายปล่อยให้สวนทางมาทำร้ายแต่ด้วยพุทธานุภาพช้างนั้นหมอบลงในที่เฉพาะพระพักแสดงอาการนกน้อมประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเป็นการผูกเรื่องและตัวบุคคลในจินตนาการเพื่อสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติตามโอกาสที่กระทำได้ในความมุ่งหมายประการแรกคือเพื่อเทิดทูนบูชาพระอานนท์นั้นท่านอาจารย์ได้เขียนในคำนำในการพิมพ์ครั้งที่สองพุทธศักราช2500ตอนหนึ่งว่า จะนำประวัติของท่านมากล่าวไว้ตรงๆก็จะไม่เข้าชุดกับหนังสือบางเล่มที่ผู้เขียนทำมาแล้วเช่นที่กล่าวถึงประวัติพระสารีบุตรเทระเจ้าด้วยการผูกเรื่องกองทัพทำขึ้นฉะนั้นจึงถือโอกาสผูกเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชันทาสุพระลิชวีผู้เป็นตัวเอกในเรื่องโยงเข้าหาประวัติพระอานนทเทระเป็นการเชื่อมความให้ทำเดินได้ ข้อความที่ยกมาจากคํานําทั้งสองตอนพอเป็นเครื่องชี้แนวในการเขียนเรื่องเชิงผาหินมาพานว่าท่านอาจารย์วางแนวเรื่องให้ฉันทาสุพระลิชวีเป็นตัวเอกในเรื่องโดยใช้เชิงผาหินมาพานวงเล็บเชิงเขาหิมาลัยเป็นฉากแห่งนิยายเช่นเดียวกับนันทประชาบดีในฉากกรุงกบิลพัท ร, ราชธานีแห่งแคว้นกัสฐาเป็นส่วนมากเพื่อให้ธรรมะเดินได้เช่นกัน สำนักศิลปศาสตร์วิศวามิตรมีอาจารย์ใหญ่ผู้ใช้นามว่าวิศวามิตรตามลำดับสกุลเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาทุกสาขาเปิดโอกาสให้กุมารในวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์เข้าศึกษาได้แต่วิชาการรบจะเรียนได้เฉพาะผู้มาจากวรรณะกษัตริย์เท่านั้น การสอนส่วนใหญ่จะให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในภาคสนามคือเดินทางไปเรียนไปโดยมีฉันทะสุภรลิชวีเป็นอาจารย์ควบคุมฉันทะสุภระลิชวีเป็นโอรสกษัตริย์แห่งกรุงพาาลีเป็นประเพณีของกษัตริย์ลิชวีเมื่อโอรสในตระกูลเติบใหญ่พอจะเข้าศึกษาได้ต้องเข้าศึกษาในสำนักตักกัศยาทางทิศเหนือแห่งชมพูทวีป หรือไม่ก็สำนักอาจารย์วิศวามิตรณเชิงเขาหินมาพานฉันทสุภลิชวีเลือกศึกษาในสำนักครูวิศวามิตรด้วยเหตุผลสองประการคือประการแรกเพื่อเรียนด้วยระยะเวลาอันสัน้นและประการที่สองเรียนอย่างเข้มข้นและมีวิธีการหล่อล้อมอธิยาสัยใจคอสิทธิให้นิยมในศิลธรรมและมีวิธีดัดคนเกเร ด้วยอุบายแยบยนต์แทนการใช้อายาและที่สำคัญคือสำนักศิลปศาสตร์วิศวามิตรไม่ใช่สอนเพียงให้ความรู้ความสามารถในวิชาทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมุ่งอบรมสิทธิ์ให้เป็นคนดีมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอันถูกต้องตามหลักศีลธรรมเป็นส่วนสำคัญด้วย เมื่อตกลงใจเรียนในสำนักวิศวามิตรและสำเร็จแล้วก็เดินทางกลับไปยังตระกูลได้ใช้วิชาความรู้ตลอดจนอุปนิสัยที่ได้รับการอบรมขัดเกลามาเป็นอย่างดีให้อยู่ในศีลธรรมตลอดมาได้เผชิญชีวิตในหลายรูปแบบได้ประสบความสำเร็จในระดับสูง ขนาดมีประสาทรูหลาที่สุดในกรุงไัยสาลีมีตำแหน่งหน้าที่เป็นราชาผู้ครองเมืองแต่ผู้เดียวชั่วระยะหนึ่งแต่แล้วความผกผันของชีวิตได้วกลงต่ำสุดขนาดถูกคุมขังในเรือนจำแต่ด้วยความฉลาดสามารถในวิชาที่เรียนมาจึงทำให้เอาตัวรอดจากเหตุการณ์วิกฤตมาได้ ในวาระสุดท้ายได้รับมอบหมายจากอาจารย์วิศวามิตรผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาแต่แรกให้เป็นทายาทสืบต่อหน้าที่อาจารย์แห่งสำนักวิศวามิตรต่อมาจนถึงการอวสานแห่งชีวิต เหตุการณ์บางตอนซึ่งจะขอนามาเสนอพอเป็นอุทาหรณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ฉันทาสุภาฤชวีดำรงตำแหน่งเจ้าสมกวิศวามิตรทาการสอนสิทธิในขณะดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ขอยกเฉพาะตอนที่เห็นว่าเหมาะสมพอเป็นตัวอย่างดังนี้ครั้งหนึ่ง ครูฉันทะสุภาลิชวีได้เล่าให้สิทธิ์ฟังถึงวิธีการสอนของอาจารย์ในสมัยที่ท่านเรียนอยู่โดยได้เล่าว่าวันหนึ่งท่านอาจารย์เรียกสิทธิ์ทั้งหลายมาประชุมกันอีกแล้วตั้งปัญหาขึ้นว่าขอให้สิทธิ์ทุกคนในที่นี้ซึ่งเรียนวิชาปกครองคู่กับวิชาอื่นๆจงลองค้นหาความจริงอันเป็นข้อเปรียบเทียบในต้นไม้นี้ดู ท่านพูดพลางชี้มือไปที่ต้นอโศกใหญ่ซึ่งกำลังมีใบดกหนาะมีบริเวณร่มเงากว้างขวางต้นอโศกนี้ให้ความร่มเย็นแก่ผู้เข้ามาภายใต้ร่มเงาของมันแต่ตัวมันเองกลับต้องตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้ใครได้ข้อคิดอย่างไรขอให้บอกมา ดูก่อนราชกุมารทั้งหลายเราได้กล่าวตอบท่านอาจารย์ไปว่านักปกครองที่ดีจะต้องพยายามให้ความร่มเย็นแก่ผู้ใต้ปกครองแม้ตนเองจะลำบากเหน็ดเหนื่อยก็จะต้องอดทนท่านอาจารย์กล่าวถามขึ้นว่าแล้วใครคิดว่ามีคติอะไรอีกจากเรื่องนี้เมื่อไม่มีใครตอบท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าคำกล่าวที่เปรียบนักปกครอง เหมือนต้นไม้ซึ่งให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นแต่ตนเองสู้กราแดดคือทนต่อสู้ความยากลำบากนั้นดีแล้วมีข้อที่จะขอเพิ่มเติมก็คือว่าคนที่จะปกครองผู้อื่นนั้นอย่างน้อยจะต้องรู้จักปกครองตัวเองให้ได้ก่อนถ้าไม่สามารถปกครองตัวเองก็จะไม่สามารถปกครองผู้อื่นได้ดี ขอให้ดูตัวอย่างต้นไม้นี้ก่อนที่จะสามารถให้ร่มเงาแก่ผู้เข้าไปภายใต้ได้ก็จะต้องประคองลำต้นให้ตั้งขึ้นได้บางคนอาจคิดว่าต้นไม้ไม่ต้องทำอะไรมากก็ตั้งลำต้นขึ้นได้แต่ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีหรือสิบสิบปีในการส่งรากไปยึดเกาะรวมทั้งรากที่อย่างลึกลงในดิน เพื่อมีให้หลำต้นที่โตขึ้นทุกวันโค่นล้มลงมันต้องตระเตรียมและทำงานในการช่วยตั้งตัวเองนี้ตลอดเวลาฉันใดมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แม้จะเป็นนักปกครองหรือไม่ก็ตามก็จะต้องมีภาระปกครองหรือควบคุมดูแลตนเองคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยจึงควรพยายามสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองอย่าให้แพ้ต้นไม้ซึ่งเป็นเพียงพืชได้ คราวนี้ถ้าเป็นนักปกครองก็จะต้องสนใจในการปกครองตอนเองเป็นพิเศษเพราะถ้านักปกครองเป็นผู้ล่มจมทางศิลธรรมเสียแล้วเขาก็จะไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ที่ล้มนอกจากไม่มีใครได้เข้าไปอาศัยร่มเงาแล้วยังขีดขวางทางไปมาก่อความลำบากเดือดร้อนแก่คนอื่นๆก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะจะมาอ่านกันต่อ แต่ว่าขอทิ้งท้ายที่ประโยคนี้ว่าอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะต่อเชื่อมกับข้อความข้างต้นว่าการปกครองตัวเองได้จึงเป็นคุณธรรมหลักที่เจ้าสมนักวิสวามิตได้สอนย้ำให้นักเรียนการปกครองในสานักได้ตระหนักเป็นเบื้องแรกและยังสอนย้ำคุณธรรมประกอบที่สำคัญอีกหลายประการเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาดูเป็นตัวอย่างอีกนะคะ เรื่องผาหินมาพานี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขายกตัวอย่างวรรณกรรมมาต่อไปบทที่สามจะเป็นเรื่องสั้นนะคะที่ท่านอาจารย์แต่งขึ้นก็คงจะต้องค่อยๆ อ, อ, อ่านกันไปแล้วก็จะจบด้วยบันทึกท้ายเล่ม น, นะคะก็หนังสือเล่มนี้ก็ใกล้จะจบเต็มทีเราอ่านกันถึงหน้าสองร้อยสามสิบสองแล้วล่ะคะ่ะหนังสือเล่มนี้มีประมาณ สามร้อยหน้าแน่ๆเลยนะคะดิฉันขอคลิกไปก่อนจริงๆด้วยสองร้อยเก้าสิบสองหน้าค่ะก็เป็นไงบ้างคะอ่านมาได้ตั้งเยอะเลยนะคะแต่ว่าอ่านแล้วเพ้อเพลินดีนะคะเพราะว่าผลงานของท่านอาจารย์เนี่ยหน้าศึกษาทั้งนั้นเลยก็ขอให้คุณงามความดีที่เราได้รับไม่ว่าจะจากวรรณกรรมของท่านอาจารย์หรือว่าได้อ่านประวัติและงานของท่านแล้วเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มี ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นขอให้ส่งผลแห่งคุณงามความดีเหล่านั้นนะคะส่งผลไปสู่ท่านอาจารย์สุขที่ปัญญาณุภาพด้วยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพไหนชาติไหนขอให้ท่านได้รับผลบุญที่เราเยาวชนคนรุ่นหลังนะคะได้พูดถึงท่านได้กล่าวถึงท่านนะคะก็เรียกได้ว่าสรรเสริญคุณท่าน ดูเวลาแล้วเราไปพักฟังเพลงเบลเองเพราะๆกันสักครู่นึงค่ะคุณสาสิธรกวงคดีหลกก็รออยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองนั้นจะมาต่อ ก, กันกับผลงานของท่านอาจารย์ที่ชื่อว่าใต้ร่มกาสาวะพัฒค่ะ กับช่วงเวลาของรายการสอนนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพักฟังเพลงบรรเลงเ พ, อพอราะๆจากคุณสสิธรไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็กะว่าจะ